พระไตรปิดกเล่มที่ 14, สิสี่สัพปุริสสูตรธรรมะของสัตบุรุษและอาสัตบุรุษสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจโตวันอารามของอนาถบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแหละทรงแสดงธรรมะของสัตบุรุษและธรรมะของอาสัตบุรุษดังนี้ธรรมะของอาสัตบุรุษเป็นอย่างไร คืออาสัต์บูรุษในโลกนี้เป็นผู้ออกจากตระกูลสูงบวชแล้วเธอย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ออกบวชที่มาจากตระกูลสูงส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่ได้เป็นผู้ออกจากตระกูลสูงมาบวชเพราะความเป็นผู้มีตระกูลสูงนั้นอาสัตบูรุษนั้นจึงยกตนโมผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมะของอสัต์บุรุษ ส่วนสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะความเป็นผู้มีตระกูลสูงธรรมะคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมะคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือธรรมะคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปแม้ถ้าภิกษุไม่ใช่เป็นผู้ออกจากตระกูลสูงมาบวชแล้วแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรม เธอก็เป็นผู้ควรบูชาควรสันเสริญในหมู่ภิกษุนั้นเพราะความเป็นผู้มีตระกูลสูงนั้นสัตบุรุษนั้นจึงทําข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนีชื่อว่าธรรมะของสัตบุรุษจากนั้นตรัสโดยในยะความหมายเดียวกันคือเป็นผู้ออกจากตระกูลใหญ่มาบวช เป็นผู้ออกจากตระกูลมีโพคะมากมาบวชเป็นผู้ออกจากตระกูลมีโพคะโอรานมาบวชเป็นผู้มีชื่อเสียงมียศมีบริวารมากมาบวชเป็นผู้ได้จีวรบิณฑบาตเสนาส น, นะและกีฬานปัจัยเภสัชบริการคือเป็นผู้มากด้วยลาบเป็นพระหูสูตรเป็นพระธรรมกะถึกเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัด เป็นผู้ถือการทรงผ้าบางสุกุลเป็นวัดเป็นผู้ถือการเที่ยวบินทบาทเป็นวัดเป็นผู้ถือการอยู่คนไม้เป็นวัดอยู่ในป่าช้าเป็นวัดอยู่กลางแจ้งเป็นวัดเป็นผู้ถือการนั่งเป็นวัดเป็นผู้ถือการอยู่ในเสนาสนะที่เขาจัดให้เป็นวัดเป็นผู้ถือการฉันนาอาสนะเดียวเป็นวัดอาสัตบุรุษนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนี้ จึงยกตนข่มผู้อื่นด้วยสิ่งที่ตนมีและตนเป็นในแต่ละอย่างนั้นนี้ชื่อว่าธรรมะของอสัตว์บุรุษส่วนสัตว์บุรุษย่อมพิจารณาแล้วไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยเรื่องตระกูลเพราะเห็นว่าแม้ตระกูลสูงร่ำรวยมีชื่อเสียงมียศสูงกว่ามีลาบมากกว่าหรือเป็นพระหูสูตรเป็นธรรมกะถึกเป็นผู้ถือวัดต่างๆนั้น แต่ความโลภโกรธหลงไม่ถึงความสิ้นไปแต่ภิกษุที่เกิดในตระกูลต่ำกว่ายากจนไม่มีชื่อเสียงยศต่ำกว่าไม่มีลาบหรือมีลาบน้อยกว่าแม้ไม่ได้เป็นพระหูสูตรไม่ได้เป็นพระธรรมกถึกไม่ได้ถือทุ ด, ดงคขวัตอันเข้มงวดเหล่านั้นหากเป็นผู้ปฏิบรรัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรม เธอก็เป็นผู้ควรบูชาควรสรรเสริญในหมู่ภิกษุนั้นเพราะความเป็นผู้มีผู้เป็นและปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นสัตบุรุษนั้นจึงทําข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในนี้ชื่อว่าธรรมะของสัตบุรุษอีกประการหนึ่งสัตบุรุษสงัดจากกามและอกุศลลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมมชานที่มีวิตกวิจารปีติและสุข อันเกิดจากวิเวกอยู่อาสัตบุรุษนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้ปถมมาชานสมาบัติส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ได้ปถมมาชานสมาบัติเพราะปฐมมาชานสมาบัตินั้นอาสัตบุรุษจึงยกตนโขมผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมะของอสัตบุรุษส่วนสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า แม้เพราะปฐมฌานสมาบัติพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอตมมยตาคือความไม่มีตัณหาไว้เพราะชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดๆเหตุนั้นๆย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจกันนั้นเพราะปฐมฌานสมาบัตินั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำอัตมมยตาเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่โมผู้อื่นภิกษุทั้งหลาย นี้ชื่อว่าธรรมะของสัตว์บุรุษข้อนี้คือแม้บรรลุปฐมฌานก็ยังมีตัณหายังไม่บรรลุแจ้งค้นทุกสิ้นตัณหาเห็นดังนี้จึงไม่เห็นว่าตนดีกว่าผู้อื่นแต่อย่างใดเพราะว่ายังต้องเวียนว่ายกลับมาทุกข์ได้และอาจตกต่ำไปเท่าหรือต่ำกว่าคนที่คิดว่าต่ำกว่าตนในตอนนี้ได้เช่นกัน จากนั้นตรัสโดยนัยยะเดียวกันถึงเหตุแห่งการยกตนโขงท่านของอาสัตบุรุษด้วยการบรรลุในแต่ละขั้นต่อมาคือทุติยะฌานฌานที่สองตติยะฌานฌานที่สามจะตุทถฌ า, านฌานที่สี่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญยายัตนะและเนวสัญญาณาสัญญายตนะสัตบุรุษย่อมเห็นชัดว่าผู้บรรลุแต่ละขั้นนั้น ยังไม่สิ้นตัญหาจึงไม่ประมาทไม่ยกตนข่มท่านไม่คิดว่าดีกว่าใครเหนือกว่าใครเพราะเหตุแห่งการบรรลุนั้นๆสัตว์บุรุษเมื่อล่วงเนวสัญญานาสัญญาย า, า, าตนะได้โดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวท้ยิตะนิโรธอยู่เพราะเห็นด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายของสัตว์บุรุษนั้นจึงสิ้นไปภิกษุทั้งหลายภิกษุนิล